รู้ไหมว่าฉันรับเธอมาและก็แน่ใจว่าเป็นเธอ เป็นเพราะอะไรเธอมีดีอยู่ที่ตรงไหนจนได้รักเธอเหียกเธอเพราะว่าเธอเองเคยมีความรับบางอย่างมันก็ยังเคยเป็นฝุ่นลอยในใจแตจะปิดฝัน มาพบความจริงเธอกอ็ยังยืนยันว่าไม่เป็นไรบอกว่ารับเรื่องราวฉันได้ ครั้งที่ฉันใกล้เธอเหมือนว่าฉันมีลา้าเกิดมาทุกทีที่เจอมีเธอเข้าใจเราเราเองเคยมีความลับบางอย่างมันก็ยังเคยเป็นอมรอยในใจใจจะปิดตั้งตัว ใ, ใคร ที่ด้ไป้กับใครไม่มีคนคนใด้ำใจ้อ้อ้โอ้โอ้้โอ ไม่เป็นไร